อนาปติวานพิชชณีตอบไปนี้ไม่ต้องอบัดคือ1027 1พิกษจ็ีเข้าไปโดยบอกภิกษุที่มีอยู่สองภิกษุไม่มีอยู่พิชชณีจึงเข้าไปโดยไม่บอก3ามพิชชนีเข้าไปเดินมองศีรษะพิชชนีผู้เข้าไปก่อน4ี่พิชชนีไปณสถานที่มีพิกษุณีกําลังประชุมกัน5้าพิชชนีเดินตามทางที่ผ่านไปอาราม อพิษุณีผู้เป็นไข้ 7. พิษุณีผู้มีเห็นคัดคอม 8. พิษุณีวิกลจริต 9. พิษุณีต้นมันยมสิคคาบทที่ 1. จบ